รวมทั้งห้องพักแต่ถ้าไม่มีห้องพักก็ต้องกลางเต้นละนะหรือไม่ก็กลางกรดแล้วคนนี้เนี่ยสหรับเฉพาะผู้ที่มาครั้งแรมวันที่หนะ้านอกจากเตรียมเครื่องนอนมากันเองแล้วอย่างที่ว่าก็ถ้ามาเป็นกลุ่มนะให้แจ้งจำนวนคนที่มาด้วยแจ้งทางอีเมลนะอัตมาก็ได้เขียนรายละเอียด ล, ลงไป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 อันนี้เป็นเป็นงานที่อยากจะให้พวกเราได้ช่วยทำกันตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะถ้าหากว่าทำได้ควนี้สำหรับแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามนะที่ตั้งใจว่าคืนมาที่ห้ามาก็จริงแต่ว่าจะไม่นอนอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เป็นเรื่องง่ายเลยนะจะมาะในสัชชิกนะในสัชชิก ค, คือว่าไม่นอนนะ เป็นเพื่อนนะมาจะปฏิบัติเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อจนกว่าสรีละของท่านจะกลายเป็นอัฐิและอังคารอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะก็จะง่ายเลยนะไม่ต้องเตรียมเต้นไม่ต้องเตรียมเครื่องนอนมามาบำเพ็ญกันทั้งคืนไปเลยนะจนสว่างอันนี้ก็ถือเป็นการเชิญชวนด้วยนะแต่ถ้าทำไม่ไหวไม่เป็นไรนะแล้วแต่ความถนัดหรือว่า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 ให้กับผู้มาพักมาค้างแรมนะนอกเหนือจากที่สุกโตแล้วก็ที่วัดภูเขาทองแล้วก็มีโรงเรียนนะแล้วก็วัดไซทองรวมทั้งบ้านชาวบ้านนะที่ยินดีจะต้อนรับนะผู้มาเยี่ยมเยียนบ้าละสิหลังบ้างยี่สบ้านละสิบคนบ้างยี่สบคนบ้างนะ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 นักปฏิบัินี้ต้องเรียกว่ายืดหยุ่นปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ไม่ใช่ว่าคุ้นแต่อยู่แต่ในวัดแต่ว่าพอไปเจอสิ่งภายนอกก็ปรับตัวไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะไปปเชิญไม่อยากจะออกไปอันนั้นก็ทําให้เรากลายเป็นคนอ่อนแอมากขึ้นนักปฏิบัตินี้โดยเพราะแนวหลวงพ่เทียนหรือลูกศิษย์ของหลวงพ่อคาเขียนนี่